มาทำธุระที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้กับพุทธศาสนิกชนทุกคนทำกันภาระหน้าที่หรือธุระที่พระพุทธเจ้าส่งมอบหมายให้ทากันนี้มีอยู่สองธุรด้วยกันคือหนึ่ง ันทุระสองวิปัสสนาทุระนี่คือทุระหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าต้องการให้พวกเราชาวพุทธมากระทำกันเพื่อประโยชน์อันสูงสุดของจิตใจที่จะเกิดขึ้นตามมานั่นเอง เกิดกับพวกเราเกิดกับผู้ที่ทำหน้าที่นี้ไม่ได้เกิดกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ต้องการอะไรจากพวกเราเพราะพระพุทธเจ้าทรงมีพร้อมหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ทรงต้องการไม่มีอะไรที่พระองค์จะต้องการจากใครอีกต่อไป สิ่งที่พระพุทธเจ้าต้องการก็คือให้พวกเราได้มีสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงมีนั่นเองคือมีความสุขเต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจปราศจากความทุกข์ต่างๆนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงปรารถนาต้องการมอบให้กับพวกเราแต่พวกเรา ต้องเป็นผู้กระทำหน้าที่ของพวกเราทำธุระของพวกเราสองธุระนี้พวกเราจึงจะสามารถได้รับความสุขอันยิ่งใหญ่ที่ปราศจากความทุกข์ต่างๆที่ยังมีอยู่ภายในหัวใจของพวกเราอยู่ในขณะนี้ ถ้าเราทำหน้าที่ของเราแล้วความทุกข์ต่างๆที่เรามีกันอยู่นี้จะหายไปหมดจะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับอะไรต่างๆนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการมาทำหน้าที่ของชาวพุทธคือคันธัุระ และวิปัสนาธุระคันธธุระนี้เป็นหน้าที่อันดับที่หนึ่งที่เราต้องทำก่อนก่อนที่เราจะไปทำหน้าที่อันดับที่สองคือวิปัสนาธุระได้คันธธุระนี้แปลว่าอะไรคือการศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจา้านั่นเอง เราต้องเรียนรู้ก่อนว่าพระพุทธเจ้าทรงรู้อะไรแล้วนําเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราที่ยังไม่รู้กันดังนั้นสิ่งแรกเราต้องเรียนกันศึกษาคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อจะได้รู้ว่าพระพุทธเจ้านี้ทรงสอนให้พวกเราไปรู้อะไรไปเห็นอะไรสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและทรงอยากให้พวกเรารู้ให้เห็นกันก็คือเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องผลของบุญของบาป ค, คือสวรรค์และนรก เรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราและเรื่องของการยุติการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราที่พวกเราสามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นมาได้พอเราเรียนรู้แล้วว่าเราต้องไปหาดูบุญ หาดูบาปหาดูผลของบุญของบาปหาดูเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราและหาดูเรื่องของการยุติการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราสิ่งที่เราต้องทำขั้นที่สองก็คือเราต้องไปทำความรู้ที่เราได้เรียนรู้นี้มาให เป็นความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาเรียกว่าวิปัสนาธุระวิปัสนาธุระนี้คือการการทําให้มีการรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่พุทธเจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นแต่ตอนนี้พวกเรายังไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นแต่เราสามารถที่จะ รู้แลเห็นได้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นด้วยการกระทําวิปัสนาธุระก็คือการปฏิบัติธรรมตามขั้นตอนต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติกันนั่นเองถ้าเราปฏิบัติธรรม ที่พุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติเราก็จะมีดวงตาเห็นธรรมมีดวงตาเห็นบุญเห็นบาปเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราเห็นการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดที่จะตามมาต่อไป เกิดจากการทำธุระข้อที่สองคือวิปัสสนาธุระที่จะต้องเรียนรู้ก่อนจากธุระข้อที่หนึ่งคือเรียนรู้ว่าเราต้องไปรู้อะไรต้องไปพิสูจน์อะไรเราต้องไปเรียนไปพิสูจน์ว่าบุญนี้มีจริงไหมบาปนี้มีจริงไหม ผลของบุญคือสวรรค์มีจริงไหมผลของบาปคือนรกหรืออบายมีจริงไหมเราตายแล้วเรายังต้องไปเกิดตอ่อนี้มีเป็นความจริงไหมและถ้าเราเบือต่อการเวียนว่ายตายเกิดเราทำให้การเวียนว่ายตายเกิดนี้สิ้นสุดลงได้หรือไม่อย่างไร นี่คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้กันก่อนเรียนว่าสิ่งเหล่านี้นเป็นของจริงบุญเป็นของจริงบาปเป็นของจริงผลของบุญคือสวรรค์ผลของบาปคือนรกหรือบายเป็นของจริงการเวลาที่ร่างกายเราตายไปแล้ว ดวงจิตดวงใจของพวกเราจะกลายเป็นดวงวิญญาณที่จะไปอยู่ในโลกทิพย์ไปรับผลบุญผลบาปในนรกในสวรรค์แล้วหลังจากที่ได้ใช้ผลบุญผลบาปแล้วก็จะไปเกิดได้ร่างกายอันใหม่ เกิดมากลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บกันใหม่มาตายกันใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วถ้าเราไม่อยากที่จะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเราก็สามารถที่จะทำได้ถ้าเรารู้ว่าเหตุที่พาให้เรามาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายนั้นเกิดจากอะไร และถ้าเรารู้เหตุนั้นละรู้วิธีหยุดหรือกาจัดเหตุนั้นได้เราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายกันอีกต่อไปนี่คือเรื่องที่เรามาเรียนรู้กันก่อนเรียนรู้แล้วแต่ตอนนี้การรู้ของเรายังเป็นการรู้แบบบอกเล่าคือสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็น เรายังไม่เห็นเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องผลของบุญของบาปเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดและเรื่องการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดของดวงจิตดวงใจของพวกเราเราเพียงแต่ได้ยินได้ฟังเหมือนกับสถานที่ที่เราไม่เคยไปเช่นต่างประเทศเช่นถ้าเรายังไม่เคยไปประเทศจีน มีคนไปเที่ยวประเทศจีนก็มาเล่าให้เราฟังหรือถ่ายรูปมาให้เราดูว่ากำแพงเมืองจีนนี้เป็นอย่างไรยิ่งใหญ่มหัศ จ, จรรย์อย่างไรแต่ก็ยังเป็นเพียงคาบอกเล่าหรือเป็นภาพให้เราดูแต่ยังไม่ได้เป็นความจริงที่เราได้สัมผัสด้วยตัวของเราเอง อาจจะเป็นภาพที่เขาแต่งขึ้นมาหลอกเราก็ได้เรายังไม่แน่ใจจะแน่ใจมั่นใจว่าเป็นของจริงก็ต่อเมื่อเราต้องเดินทางไปที่ประเทศจีนแล้วก็ไปยืนอยู่ตรงจุดที่เขาถ่ายภาพนั้นให้เราเห็นเมื่อเราเดินทางไปถึงจุดนั้นและเห็นความจริงกับภาพที่เขาถ่ายมาให้ดู ว่ามันเหมือนกันแป๊ะเลยต่างกันตรงที่เวลาเท่านั้นเอง ต, ตัวกำแพงเมืองจีนนี่เหมือนกันทุกทุกกระเบียดนิ้วเราก็จะได้มีความเชื่อมั่นอย่างร้อยเปอร์เซ็นตอันนี้ก็เหมือนกันตอนนี้เราได้ยินเรื่องการทำบุญว่าจะพาให้เราไปสวรรค์ การทำบาปจะพาให้เราไปอ บ, บายและการกระทำตามความอยากต่างๆจะพาให้เราต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆถ้าเราอยากที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องหยุดความอยากต่างๆการจะหยุดความอยากเราก็ต้องปฏิบัติ ธรรมคือการบำเพ็ญจิตตภาวนาสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาเราถึงจะสามารถที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้เราถึงจะสามารถไปอยู่ที่พระนิพพานได้เนี่ยพอเราได้เรียนรู้แล้วว่าเราต้องกระทำอะไร เพื่อเราจะได้เห็นได้รู้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นพอเราได้ปฏิบัติแล้วเราก็จะได้รู้ได้เห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นตอนนี้เราไม่เห็นเพราะอะไรไม่เห็นเพราะตาที่เราจะใช้ดูนี้กำลังถูก สิ่งปิดบังอยู่เหมือนกับผ้าที่ปิดตาเวลาเราเอาผ้ามาผูกตาปิดตาตาทางร่างกายก็จะมองไม่เห็นภาพต่างๆตาที่จะเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นดวงจิตดวงใจที่เวียนว่ายตายเกิดเห็นพบต่างๆนี้ คือตาหนไม่ใช่ตาของร่างกายเรียกว่าตาของใจหรือตาทิพยนะ์เนเพราะสิ่งต่างๆที่ที่าต้องเห็นด้วยตาทิพย์นี้เป็นสิ่งที่อยู่ในโลกทิพย์นั่นเองไม่ได้อยู่ในโลกของร่างกายโลกของร่างกายนี้เราเรียกว่าโลกกทาโลกของธาตุสี เด่นน้ำลมใสสิ่งต่างๆที่ตาของร่างกายเห็นนี้ทำมาจากเด่นน้ำลมใสอรวมกันบ้างธาตุสีมารวมกันบ้างแยกอยู่กันเป็นอิจฉระจากกันบ้างเช่นธาตุน้ำอยู่อิจฉระก็คือน้ำที่เราเห็นในแม่น้ำลําธารใน ทะเลในมหาสมุทรนี่เราเรียกว่าเป็นธาตุน้ำธาตุดินก็คือดินที่เราเหยียบกันบนพื้นพื้นผิวของโลกนี่ก็เป็นธาตุดินธาตุลมก็คือลมที่เราหายใจเข้าออกนี่ก็เป็นธาตุลมธาตุไฟก็คือความร้อน ที่เราได้รับจากแสงแดดแสงอาทิตย์นี่แต่บางทีถ้าทั้งสี่นี้ก็มารวมกันมารวมกันก็ทำให้ปรากฏต้นไม้ขึ้นมาเนี่ยหรือร่างกายของเราเ่ยท้เป็นการรวมตัวการผสมปรุงแต่งของธาตุสี่ร่างกายของเราต้นไม้ใบายา ต้องมีธาตุสี่ครบทั้งสี่ธาตุจึงจะเกิดเป็นต้นไม้ใบย่ญญาเป็นร่างกายของพวกเราขึ้นมาได้แล้วก็สำหรับร่างกายของพวกเรานอกจากมีธาตุสี่แล้วสิ่งที่ทำให้ร่างกายของเราเคลื่อนไหวทำอะไรต่างๆได้ ก็มีธาตุที่ห้าคือธาตุรู้มาร่วมด้วยธาตุที่ห้านี่เรา เ, าเรียกว่าจิตใจนี่เองคือผู้รู้ผู้คิดผู้ผู้ที่ทำให้ร่างกายนี้ขยับขยื่อนเคลื่อนไหวได้ถ้าร่างกายนี้ไม่มีผู้รู้ผู้คิดคือธาตุรู้นี้มาร่วม ด้วยร่างกายก็จะเป็นเหมือนต้นไม้ใบายาคือมีชีวิตแต่เคลื่อนไหวไม่ได้มีชีวิตแต่ไม่มีการรับรู้อะไรต้นไม้นี่เขาไม่รู้ว่าเวลาไปตัดกิ่งไม้เขาไม่รู้ว่ามีการตัดกิ่งไม้เกิดขึ้นมาแต่ร่างกายนี้ถ้าไปตัดเล็บเนี่ยตัดผมเนี่ยจะมีการรับรู้ ผู้ที่รับรู้นี้ไม่ใช่ร่างกายร่างกายนี้เป็นเหมือนต้นไม้แต่ผู้ที่รับรู้การตัดเล็บตัดผมนี้คือธาตุรู้คือจิตใจผู้รู้ผู้คิดผู้ที่มาครอบครองร่างกายนี้ผู้ที่มาสั่งให้ร่างกายนี้ทำอะไรต่างๆทำดีเราก็เรียกว่าทำบุญ ทำไม่ดีเราก็เรียกว่าทํำบาปแล้วผลที่เกิดขึ้นกับผู้กระทาก็คือก็คือผู้รู้คือธาตุรู้นี้ไม่ใช่เกิดขึ้นที่ร่างกายร่างกายนี้ไม่ได้รับผลของการทําดีหรือผลของการทําไม่ดีผู้ที่รับผลคือผู้รู้ ผลที่รับนี้ก็คือความรู้สึกนี่ความรู้สึกสุขหรือความรู้สึกทุกข์เกิดขึ้นทันทีในขณะที่มีการทําดีหรือทําไม่ดีทําดีทําบุญก็เกิดความสุขใจขึ้นมาทําชั่วทําบาปก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาความสุขใจนี้ และความทุกข์ใจนี้จะสะสมเก็บไว้อยู่ในใจและจ ะ, สะแสดงผลออกอีกครั้งหนึ่งเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปเวลาที่ไม่มีร่างกายผลของบุญและผลของบาปก็จะออกมาทำหน้าที่แทนร่างกาย ตอนที่มีร่างกายใจคือผู้รู้ผู้คิดก็ใช้ร่างกายเป็นผู้ผลิตความสุขความทุกข์ให้กับใจในเวลาที่ไม่มีร่างกายใจก็ต้องอาศัยผลบุญหรือผลบาปอาศัยบุญหรือบาปที่ได้ทำสะสมไว้ในใจมาเป็น ผู้ให้ความสุขหรือให้ความทุกขนะ์เนี่ยเหมือนกับร่างกายนะร่างกายของเราเราใช้มันไปหาความสุขให้กับเราแต่บางทีมันก็ไปหาความทุกข์มาให้กับเราด้วยนะโดยที่เราไม่ต้องการแต่มันก็เป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้เพราะความสุขกับความทุกข์นี่มันมักจะมาเป็นคู่กันนะมันจะมา มันจะให้เราเห็นแต่ความสุขแต่ความทุกข์นี้เรามองไม่เห็นแต่มันติดอยู่กับความสุขพอเราไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆเช่นรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆพอเราได้ความสุขแล้วเดี๋ยวไม่นานมันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาทั้งๆที่เราไม่อยากได้ความทุกข์มันก็แถมให้เราบังคับให้เรา ถ้าเราอยากเอาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเราก็ต้องรับความทุกข์จากรูปเสียงกลิ่นรส ด, ด้วยเพราะอะไรเพราะรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันก็มีเกิดมีดับนั่นเองเวลาเกิดมันก็ให้ความสุขกับเราเวลามันดับมันหายไปมันก็ให้ความทุกข์กับเราแบบนี้คือวิธีหาความสุขของพวกเรา ในขณะที่เรามีร่างกายเราใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆในโลกนี้ผ่านทางตาหูจมกูกลิ้นกายเราเรียกสิ่งต่างๆที่เราหากันนี้ว่าเป็นรูปเสียงกลิ่นรสแต่รูปเสียงกลิ่นรสที่เราหามาได้ที่เราเห็นว่าเป็นความสุข แต่พอสักระยะหนึ่งความสุขที่เราได้จากมันก็หายไปเช้นเราเห็นดอกไม้สวยๆเราก็ไปซื้อแล้วไปเก็บมาแล้วมาใส่แจกันประดับอยู่ในบ้านหรือมาตั้งบูชาพระแต่สักไม่กี่วันต่อมาดอกไม้ที่สวยงามนั้นมันก็เหี่ยวมันก็เฉา เพราะนี่คือสภาพของสิ่งต่างๆที่เป็นอยู่ในโลกนี้มันบานแล้วเดี๋ยวมันก็จะต้องยุบต้องเสื่อมมันสวยแล้วเดี๋ยวมันก็จะตายเป็นของไม่สวยไปพอมันตายมันก็เลยทำให้เราทุกข์ทำให้เราเสียใจไม่มีความสุขเวลาเราเห็นของที่ไม่สวยไม่งาม เดี๋ยวนี้คือวิธีการที่เราหาความสุขกันเราอาศัยร่างกายอาศัยตาหูจมกูกลิ้นกายนี้เป็นเครื่องมือหาความสุขแล้วก็รับความทุกข์มาจากการที่เราหาความสุขนี้ด้วยแต่เวลาที่เราไม่มีร่างกายเวลาร่างกายตาย หรือขณะที่ร่างกายนอนหลับนะตอนนั้นตอนที่เรานอนหลับก็เหมือนร่างกายตายชั่วคราวตอนนั้นเราไม่สามารถใช้ร่างกายไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้แต่ใจของเรานี้มันยังมีความหิวโหวยต่อการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ มันก็เลยไปหาความสุขจากบุญหรือบาปที่เราได้ทำไว้ขึ้นอยู่ว่าเราทำอะไรไว้มากกว่ากันถ้าเราทำบุญมากกว่ากันเวลาเรานอนหลับเราก็จะอาศัยบุญนี้มาให้ความสุขกับเราแต่ถ้าเราทำบาปไว้มากกว่าบุญ <c oughs> เราก็จะได้ได้ไ ด, ได้ได้รับบาปมาให้ ความทุกข์กับเราแทนคือเวลาเรานอนหลับเราก็จะมีการฝันกันเวลาเราฝันนี่ก็เหมือนเวลาที่เราเตื่นทุกประการเหมือนจริงกันเหมือนกับตอนที่เราเตืน่นเวลาเราฝันเราก็ฝันว่าเราไปเที่ยวที่นั่นเที่ยวที่นีน่ไปพบสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นไปกิน อาหารชนิดนั้นชนิดนี้ไปเดิมเครื่องเดิมไปดูไปฟังอะไรเหมือนกับตอนที่เราตื่นทุกทุกอย่างเหมือนกันโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเสียด้วยซ้าไปว่าเรากำลังใช้ความฝันในการหาความสุขเหมือนกับร่างกายตอนที่เราใช้ร่างกายนี่แหละคือ ผลของบุญผลของบาปมันจะทําหน้าที่ในช่วงที่ไม่มีร่างกายถ้าน่างกายนอนหลับเเราก็จะอาศัยบุญบาปมาทําหน้าที่ชั่วขา้าวขึ้นอยู่กับบุญกับบาปว่าอันไหนจะมีกําลังมากกว่ากันอันนี้เราเลือกไม่ได้ตอนที่เราหลับเราจะไปกดบุ้มว่าจะเอาแต่บุญเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ เวลานอนหลับนี่บางทีเราอยากจะฝันดีกันก่อนนอนเรามักจะให้ลูกให้เด็กนอนหลับฝันดีนะลูกแต่อาจจะแทนที่จะฝันดีอาจจะฝันร้ายก็ได้แม้แต่เด็กก็ยังฝันร้ายได้ทั้งๆ ท, ที่ยังไม่ได้ทำบาปอะไรมาก่อนอันนี้เป็นเพราะว่าชาตินี้ยังไม่ได้ทำบาปด้วยร่างกายอันใหม่นี้ แต่ชาติก่อนนี่เคยทำบาปมามากมายด้วยร่างกายอันเก่าพอมานอนหลับในชาตินี้ก็ยังฝันร้ายได้เพราะว่าบาปที่ทำไว้ยังมีฝังอยู่ในใจอยู่มากกว่าบุญเด็กบางคนจึงนอนหลับแล้วฝันร้ายนอนแล้วก็เตือนขึ้นมาร้องไห้โฮอันนี้แม้แต่ผู้ใหญ่ก็เหมือนกัน ผู้ใหญ่บางคนเมาลานอนหลับแล้วก็ฝันร้ายกันจนกระทั่งต้องตกใจตื่นขึ้นมาในในยามค่ำคืนก็มีนี่แหละคือผลของบุญของบาปที่มันจะแสดงผลในขณะที่เราไม่มีร่างกายและผลดีคือฝันดีฝันว่าเราได้ไปพบกับสิ่งดีๆต่างๆ ให้ความสุขกับเราเราก็เรียกว่าสวรรค์ผู้ที่ฝันดีนี่เราก็เรียกว่าเทพเวลาที่ไม่มีร่างกายเราก็จะเปลี่ยนสถานภาพจากการเป็นมนุษย์ไปเป็นเทพถ้าเรามีบุญผ a า i เราได้ฝันดีถ้าเราฝันร้ายเราก็จะ ไปอบายเป็นดวงวิญญาณในอบายฝันร้ายด้วยความหิวโหยก็เป็นเปรตฝันร้ายด้วยความกลัวก็เป็นอสุรกายฝันร้ายด้วยความอาฆาตพยาบาทก็เป็นนรกนี่นี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้องพิสูจน์ต่อไปด้วยการปฏิบัติภาวนาตอนนี้เราเพียงแต่ ได้ยินได้ฟังเรื่องเหตุและเรื่องผลของบุญนะของบาปว่าเป็นอย่างไรแต่มันก็ยังยังไม่ชัดเจนจนกว่าเราจะได้มาภาวนาเพราะเวลาเราภาวนาคือมาทําใจให้สงบในขั้นที่หนึ่งเรียกว่าสมถะภาวนาเราก็จะ แยกร่างกายออกจากแยกใจออกจากร่างกายเหมือนกับทำให้ร่างกายนี้ตายไปชั่วค้าวหรือหลับไปชั่วค้าวเพียงแต่ว่ามันไม่ได้หลับล้วนั่งสมาธินี่ร่างกายไม่หลับใจร่างกายเหมือนกับคนหลับเพราะร่างกายก็อยู่เฉยๆเหมือนคนนอนหลับนั่งอยู่เฉยๆเหมือนคนตาย เพแต่ว่าใจนี้ไม่ได้ดับเหมือนกับตอนที่นอนหลับหรือตอนที่ตายใจมีสติตื่นตัวรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาอันนี้แหละที่เป็นที่มันแตงมันต่างจากการนอนหลับหรือการการตายการนั่งสมาธินี้ใจไม่ได้หลับเหมือนกับคนนอนหลับหรือคนตายแต่ นั่งสมาธินี้ใจตื่นเอใจจะเห็นการแยกตัวออกของใจออกจากร่างกายเถึงต้องเห็นด้วยการนั่งสมาธิตอนนอนหลับนี่เราไม่รู้ว่าใจกับร่างกายแยกออกจากกันตอนที่ตายเราก็ไม่รู้ว่าใจกับร่างกายแยกออกจากกันแต่ตอนนี้เรานั่งสมาธิเนี่ยเราจะรู้เราจะเห็นชัดเจน ว่าเมื่อกี้นี้เราเห็นรูปเสียงกลิ่นรสพอเราดึงใจให้เข้าข้างในด้วยสติคือพุทธโธพุทธโธพอใจเข้าข้างในใจก็แยกออกจากร่างกายทันทีร่างกายความรับรู้ผ่านทางร่างกายก็หายไปเหมือนตอนที่นอนหลับนะไม่ได้รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแต่ใจนี้ตื่นตัวรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลา เหลืออยู่แต่ตัวรู้ตัวเดียวเราถึงเรียกว่าใจนี้คือตัวรู้ผู้รู้นี่เองธาตุรู้อันนี้ถ้าเราได้พานาะระดับนี้เราก็จะเกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนขึ้นมาถึงเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องของการไปเกิดใหม่เรื่องของผล ที่เกิดจากการทำบุญทำบาปนะจะเห็นชัดเจนเรียกว่ารู้แจ้งเห็นจริงทันทีรู้ว่าอ๋อนี่แหละใจนี่แหละเป็นผู้ที่ทำบุญและทำบาปและเป็นผู้รับผลบุญผ ล, ผ ล, ผ ล, ผลบาปถ้าใจเป็นสุขเราก็เรียกว่าสวรรค์ถ้าใจเป็นทุกข์เราก็เรียกว่าอบาย ก็เลยเข้าใจถึงเรื่องของการไปเวียนว่ายตายเกิดของใจหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วถ้าใจเป็นสุขใจก็ไปเป็นเทพหรือไปเป็นพรหมถ้าสุขด้วยการทำบุญก็ไปเป็นเทพไปเสกความสุขจากรูปเสียงกลิ่นทิพรูปเสียงกลิ่นรสที่เป็นของทพเนะ แต่ถ้าใจสุขเพราะความสงบก็เป็นพรมนะก็จากการนั่งสมาธิทําใจให้สงบทําให้รูปเสียงกลิ่นลดหายไปก็เสพความสุขอีกแบบหนึง่งความสุขที่เกิดจากรูปปัจจานและอารูปปัจจานก็จะไปเป็นอีกพบอีกสองพบจากเทวพบก็ไปเป็นอยู่ในรูปปปุพบกับอารูปปปุพบ สิ่งเหล่านี้มันจะเห็นและมันจะเข้าใจอย่างชัดเจนแล้วมันจะไม่มีวันสงสัยว่าบุญมีจริงหรือไม่บาปมีจริงหรือไม่นรกมีจริงหรือไม่สวรรค์มีจริงหรือไม่การเวียนว่ายตายเกิดมีจริงหรือไม่นิพพานมีจริงหรือไม่ทุกอย่างมันจะปรากฏขึ้นมาให้เห็นอย่างชัดเจนเพียงแต่ว่าดัง ในขณะที่อยู่ในระดับสมถะภาวนานี้ก็ทำให้เห็นได้ดูแจ้งเห็นจริงได้ในระดับของของโลกียะคือของไตพกคือรู้ว่าใจเราเนีจะไปสวรรค์หรือไปนรกด้วยเหตุอันใดแต่เราสามารถกำหนดได้ในขณะที่เราตื่น ถ้าเราอยากจะไปสวรรค์เราก็ทำแต่บุญอย่าไปทำบาปนะถ้าเราอยากจะไปอบายเราก็ไม่ต้องทำบุญทำแต่บาปอันนี้เรารู้เราสามารถกำหนดชะตาชีวิตของเราได้แต่ถ้าเราไม่ต้องการจะกลับมาเกิดใหมน่นี่เรายังทำไม่ได้ในระดับของสมาธิเพราะสมาธินี้ไม่มีความสามารถ ที่จะมาหยุดตัวที่พาให้เรามากลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันตัวที่พาให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันนี้ก็คือตัวความอยากสามชนิดด้วยกันที่มีอยู่ในใจของพวกเราทุกคนคือหนึ่งกามตันหาคือความอยากเสพกามอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเพราะว่าตันหา ความอยากจะมีความสุขจากสิ่งต่างๆวิภาวะตัณหาความอยากจะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีสิ่งต่างๆมาให้เสพอันนี้เป็นเป็นความอยากที่เราต้องยุติมันหยุดมันด้วยการไม่ทำตามมัน การที่เราจะไม่ทําตามมันได้นี่เราต้องมีการปฏิบัติระดับวิปัสสนาภาวนาคือหลังจากที่เราได้สมถภาวนาแล้วทีนี้เราก็ต้องเอาวิปัสสนาเอาความจริงนี่มาสอนใจสอนให้รู้ว่าถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดแก่เจ็บตาอยู่เรื่อยๆก็ต้องไม่ทําตามความอยากสามประการนี้ ไม่หาอยาหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสอย่าหาความสุขจากรูปประชานอย่าหาความสุขจากอารูปประชานทุกครั้งที่เราอยากจะเสพกามเราก็ต้องหยุดมันวิธีที่จะหยุดมันก็ต้องให้เห็นว่ากามคุนนี้เป็นทุกข์ไม่ได้เป็นสุขอย่างเดียวเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะมันเสื่อมมันมี มันีเกิดได้แล้วเดี๋ยวมันก็มีดับได้ เ, ออเวลาเราได้รูปเสียงกลิ่นรสมาเสพเราก็มีความสุขกันพอรูปเสียงกลิ่นรสที่เราเสพนั้นหายไปหมดไปออความสุขก็หายไปความทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมาออให้เราเห็นว่าทุกครั้งที่เราเสพเราก็จะอยากจะเสพอีกพอเวลามันหมด มันทำให้เราไม่สุขเราก็ต้องไปหามาเสพใหม่แล้วถ้าเราหาไม่ได้มันก็จะกล้าทำให้เราทุกข์ขึ้นมานี่เรียกว่าวิปัสสนาคือรู้ความจริงว่าการทำตามความอยากนี้มันจะไม่ทำให้ใจอิ่มใจพอมันจะทำให้ใจเพิ่มมีความอยากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วได้มามากหรือน้อยไม่ช้าก็เร็วก็ต้องหมดไปพอหมดไปก็จะได้ความทุกข์ตามมาถ้าไม่อยากจะได้ความทุกข์ก็อย่าไปทําตามความอยากอยู่เฉยๆอยู่กับความสงบอยู่กับการไม่ได้เสพอะไรจะดีกว่าก็คืออยู่ในความสงบของสมาธินี่ พอจิตเราฝืนความอยากไม่ทำตามความอยากได้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นก็จะหายไปแล้วใจก็จะสงบมีความสุขโดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เกิดจากการได้ทำอะไรได้ดูอะไรได้สัมผัสกับอะไรเพราะเป็นความสุขชั่วคราว เราจะกลายเป็นความทุกข์ต่อมานี้คือวิปัสสนาหรือปัญญาที่ใจจะต้องมาสอนใจเวลาเกิดความอยากต่างๆว่าการทำตามความอยากแม้จะได้ความสุขแต่เป็นความสุขเบื้องต้นแล้วต่อไปมันจะหายไปหมดไปแล้วมันก็จะเลิดมันก็จะทำให้ใจทุกข์ต่อไป ทุกครั้งที่เสกมันก็จะเป็นอย่างนี้จะได้ความสุขตอนตอน้นแล้วพอความสุขที่ได้มาหมดไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ต่อไปถ้าเราสามารถสอนใจให้เห็นโทษของการทําตามความอยากเราก็จะไม่กล้าทําตามความอยากเช่นถ้าเราเห็นสิ่งที่เรา ได้มานี้จะต้องทำให้ดาวตายเราก็คงไม่อยากจะได้กันเช่นลูกระเบิดเนี่ยเราคงไม่ไปหาซื้อลูกระเบิดมาเล่นกันเพราะถึงแม้มันจะส่งเสียงดังแต่มันนอกจากทำให้เสียงดังเหมือนประทัดแล้วมันทำให้ร่างกายเราตายได้เราก็จะไม่กล้าไปเล่นกับลูกระเบิดไม่กล้าไปซื้อลูกระเบิดมาเล่นถ้าเราอยากจะได้ ก็ไปซื้อประทั์มาเล่นแทนแต่ประทั์เราก็ยังต้องระวังอย่าไปจุดมันรับถือไว้เดี๋ยวเวลามันระเบิดมันก็ไม่มือเราได้เระฉเราต้องมีปัญญาให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้นี่มันเป็นเหมือนลูกระเบิดมันจะทำให้ใจเราทุกข์ต่อไป ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปมีสิ่งต่างๆอยู่กับความว่างดีกว่าอยู่กับการไม่มีอะไรดีกว่าอยู่กับการไม่มีอะไรแล้วก็ทำใจให้ระ ง, งับความอยากความอยากนี้หละที่ทำให้ใจเราทุกข์ทำให้ใจเราหิวทำให้ใจเราไม่มีความสุขแต่พอเราระ ง, งับความอยากได้ พอความอยากมันหยุดทํางานลงปั๊บเมื่อไหร่ความหิวความทุกข์ต่างๆจะหายไปหมดแล้วสิ่งที่จะเหลืออยู่ก็คือความว่างความสงบความสุขที่เกิดจากความว่างความสงบที่เป็นความสุขที่บริสุทธิ์เป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์เพราะมันไม่มีวันหมดความสุขแบบนี้มันไม่มีวันหมด ลองมันไม่มีอะไรมามาม า, มาปิดบังมันมันก็จะอยู่ปรากฏให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาตอนนี้มันไม่ปรากฏเพราะเรามีสิ่งมาปิดบังไว้สิ่งที่มาปิดบังความสงบความเบยสุดของความความสุขที่เบื่อสุดนี่ก็คือความอยากต่างๆนี่เอง จึงทำให้เราไม่เคยได้สัมผัสกับความสุขที่บริสุทธิ์นี้เลยเราเลยต้องใช้วิธีนั่งสมาธิเพื่อดึงความสุขที่บริสุทธิ์นี้มาให้ปรากฏให้เราเห็นแต่มันก็เป็นความสุขแบบชั่วคราวเพราะว่าสมาธินี้ทําหน้าที่คือหยุดความอยากได้ชั่วคราว พอเวลาความอยากถูกกำลังของสมาธิหยุดนองมันก็เหมือนความอยากหายไปแต่มันไม่ได้หายอย่างถาวรด้วยอำนาจของสมาธิพอเวลาใจสงบนี้ความอยากหยุดทำงานความสุขที่บริสุทธิ์ที่ไม่มีโทษที่มีอยู่ในใจของเราตลอดเวลาก็จะปรากฏขึ้นมาให้เราเห็น เป็นของที่มีอยู่แล้วมีอยู่ในใจเราแล้ ว, แ, ลวแต่มันไม่สามารถโผล่มาให้เราได้สัมผัสรับรู้ได้เพราะความอยากของเรานี่มันคอยคอยปกปิดเอาไว้คอยกันเอาไว้ไม่ให้ความสุขที่บริสุทธิ์นี้ปรากฏให้เราได้สัมผัสเหมือนกับความเงียบเนี่ยความเงียบมันมีอยู่ตลอดเวลา แต่ที่เราไม่สามารถได้สัมผัสกับความเงียบเพราะอะไรเพรามเรามีสนับมีเสียงต่างๆมาปรากฏอยู่ตลอดเวลานั่นเองแต่พอเสียงต่างๆนี้มันหายไปหมดแล้วดูซิเป็นยังไงความเงียบนี่เราไม่ต้องไปสร้างมันไม่ต้องไปผลิตมันไม่เหมือนกับเสียงเนี่ยเสียงเราต้องไปสร้างมันไปผลิตมัน แต่พอเสียงต่างๆที่เราสร้างเราผลิตนี้ถ้ามันหยุดถ้าเราไม่ไปสร้างไปผลิตมันขึ้นมาความเงียบมันก็จะโผล่ขึ้นมาของมันโดยธรรมชาตินี่แหละความสุขที่บริสุทธิ์ที่อยู่เป็นอยู่ในใจของเรามีอยู่ในใจของพวกเรานี้มีอยู่มาตลอดแต่มันไม่เคยมีโอกาสได้ออกมาแสดงบทบาท เพราะถูกกิเลสถูกความโลภความอยากมันเป็นตัวปิดกั้นเอาไว้ถ้าเป็นเวทีก็คือไม่เคยผู้กำกับไม่เคยปล่อยให้ตัวนี้ออกมาสแสดงเลยปล่อยให้แต่ตัวความอยากออกมาสแสดงอยู่ตลอดเวลาเพราะตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาก็อยาก้ะอยากกินนั่นอยากกินนี่แะ อ, อยากดื่มนั่นอยากดื่มนี่ อยากดูอยากฟังอยากไปนู่นมานี่ยความที่ไม่อยากมันความความอยากมันไม่เคยหยุดเลยพอมันไม่หยุดอะความสุขอันบริสุดนี่มันก็เลยโผล่ขึ้นมาไม่ได้เราก็เลยต้องทำให้มันโผล่ขึ้นมาแบบชั่วคราวเพื่อให้เราได้เหมือนกับได้เห็นหนังตัวอย่างได้สัมผัสกับสินค้าตัวอย่าง การทำสมาธิเนี่ยเป็นการสร้างเป็นการเอาเอาเอาสินค้าตัวอย่างคือความสุขที่บรยสุดนี้มาให้เราได้เสพได้สัมผัสให้เราลองชิมดูว่าอร่อยไ้ยดีไหมถ้าเป็นเครื่องเดิมสมัยก่อนนี้เขาจะมีสุราขวดเล็กๆ เ, เอามาจากคน ที่ไม่เคยเดื่มโซดาชนิดนี้ให้เขาลองดื่มฟรีขวนเล็กๆพอให้ได้ลิ้มรสพอได้ลิ่มรสแล้วก็จะรู้ว่าดีไม่ดีถูกใจหรือไม่ถูกใจเขาก็จะได้พอได้ลองชิมแล้วถ้าถูกใจก็จะได้ซื้อของจริงสั่งขวดใหญ่มาอันนี้ก็เหมือนกันสมาธิก็เป็นเหมือนความความสุข ที่บอยสุดนี้ที่บรรจุไว้ในขวดเล็กๆให้เรามาลองชิมกันเวลาเรานั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้สิบนาทีบ้างยี่สิบนาทีสามสิบนาทีหรือชั่วโมงแต่ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องถอนออกมาเพราะเรามีร่างกายที่จะต้องได้รับการดูแลร่างกายมันต้องกินต้องเดิมต้องขับต้องถ่าย เราไม่สามารถอยู่ในสมาธิไปอย่างถาววอนได้แต่มันก็เป็นเหมือนกับหนังตัวอย่างหรือสินค้าตัวอย่างให้เราได้สัมผัสพอเราได้สัมผัสแล้วเราก็จะได้เห็นว่ามันดีไม่ดีอย่างไรพอเราได้มานั่งสมาธิทำใจให้สงบเราก็จะได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่เหนือกว่ารถทั้งปวง เป็นความสุขก็เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเรียกว่านาัตถิสันติพลังสุขของสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีความสงบนี่แหละที่ทำให้เกิดความสุขที่บริสุทธิ์ขึ้นมาความสงบ ก, ก็เกิดจากการาระงับการความอยากต่างๆไว้ชั่วคราวด้วยกําลังของสติที่เราใช้พุทโธพุทโธนี่ เพิ่มมากดความอยากไว้หยุดความอยากเพราะความอยากมันตามมากับความคิดนั่นเองพอหยุดคิดความอยากก็ต้องหยุดตามเราก็เลยใช้สติมาหยุดความคิดกันไม่ปล่อยให้คิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้พอคิดแล้วมันเกิดความอยากทันที อยากไปหาคนนั้นอยากไปหาคนนี้อยากจะไปที่นั่นอยากจะไปที่นี่ทันทีพอคิดถึงมันนะพอไม่คิดถึงมันความอยากก็ไม่เกิดนะความอยากก็สงบตัวลงพอความอยากสงบตัวใจก็สงบนิ่งแล้วความสุขอันบริสุทธิ์ที่มีอยู่ในใจของเรามาตลอดเวลาก็มีมีโอกาสได้ออกมาแสดงตัวให้เราได้เห็นกัน พอเราได้สัมผัสกับความสุขที่บริสุทธิ์นี้แล้วทีนี้เราก็จะได้อยากจะได้สัมผัสเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยทีนี้อยากจะอยากจะได้ของจริงแล้วพอเราได้ทดลองใช้สินค้าตัวอย่างเช่นสบู่บางทีเขาก็ทําสบู่ก้อนเล็กๆมาให้ลองใช้อยู่พอได้ใช้ได้ดมกิน่นได้สัมผัสกับมันแล้วทีนี้ติดอกติดใจ ทีนี้ก็ไปสั่งซื้อก้อนใหญ่ได้นะ้วอันนี้ก็เหมือนกันการทําสมาธินี้เพื่อให้เราได้สัมผัสกับความสุขการบริสุทธิ์ที่เป็นความสุขตัวอย่างเป็นความสุขชั่วคราวเพราะสตินี้ไม่มีความสามารถที่จะกําจัดความอยากต่างๆได้อย่างถาวรเป็นเหมือนกับหินทับหญ้า เวลาเอาหินไปทับหญ้าไว้หญ้าก็งอกขึ้นมาไม่ได้แต่พอเอาหินออกเดี๋ยวหญ้าที่ถูกหินทับไว้ก็จะงอกกลับขึ้นมาได้ใหม่เพราะว่ารากมันยังมีอยู่ในดินพอมันได้น้า ไ, ได้แดดเดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาใหม่ได้ถ้าอยากจะให้ต้นไม้เลือรากต้นย่านี้ตาย ก็ต้องถอนถอนถอนรากออกจากดินเท่านั้นฉันใดถ้าอยากจะให้ความอยากนี้ตายก็ต้องใช้การถอนรากของความอยากรากของความอยากคืออะไรก็คือโมหะอวิชชาความเห็นผิดเป็นชอบนี่เองความความไม่รู้ว่าความที่ไปเห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ เป็นความสุขนี้เรียกว่าเป็นการไม่เห็นความจริงเป็นความหลงเพราะถ้าเห็นตามความจริงเราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขถึงแม้มันจะมีสุขแต่มันก็เป็นสุขต่อสุขแบบน้ำตาลเครือบยาขมเป็นผิวบางๆเท่านั้นเองแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นความทุกข์ อันนี้คือรากเงาของความอยากความอยากเกิดขึ้นเพราะไปเกิดจากความหลงที่ไปเห็นสิ่งต่างๆที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขนั่นเองเพราะไม่เห็นอนิจจังไม่เห็นอนัตตาไม่เห็นว่าความสุขที่ได้มันเป็นความสุขชั่วคราวอนัตตามันไม่ได้เป็นของเราไปตลอดมันจะต้องมีวันจากเราไปไม่ช้าก็เร็วดังนั้นคนที่จะ เห็นทุก์ในสิ่งต่างๆได้จะต้องเห็นอนิจจาเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆเห็นอนัตตานะการที่มันไม่ได้เป็นของของเราอย่างแท้จริงเช่นร่างกายร่างกายของเราหรือร่างกายของคนอื่นนี้มันเป็นอนิจจ์มันไม่เที่ยงมันจะต้องมีวันแก่วันเจ็บวันตายต่อไปรักร่างกายของคนอื่น เดี๋ยวเวลาเขาแก่เขาเจ็บเขาตายเราก็จะทุกข์เวลาเราเสียแฟนไปเสียคู่ครองไปเขาตายไปหรือเขาจากเราไปอันนี้ก็เป็นอนิจจังแต่เราไม่เห็นกันทั้งทั้งที่รู้อยู่แต่ไม่ยอมเห็นไม่ยอมมองกันพยายามปัดมันออกไป พยายามคิดว่ามันจะต้องเป็นนิจจังเขาต้องอยู่กับเราไปตลอดเขาจะต้องเป็นแฟนของเราไปตลอดพอความจริงมันเป็นอนิจจังขึ้นมาปัก บ, บเมื่ อ, อไหร่ตอนนั้นก็ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันบางคนก็ถึงกับคิดฆ่าตัวตายกันนนี้เรียกว่าโมหะความหลงเรืมมิจฉาทิฏฐิความเห็น เห็นความเห็นทุกว่าเป็นสุขนั่นเองความเห็นอนิจจังว่าเป็นนิจจังความเห็นอนัตตาว่าเป็นอัตตาอันนี้ที่เราจะต้องมาสอนใจเพราะความเห็นนี้มันมิจฉาทิฏฐินี้มันฝังลึกเพียงแต่พูดครั้งสองครั้งมันไม่เชื่อมันลืมตอนนี้ฟังก็เข้าใจ เดี๋ยวพอไม่ได้ฟังปั๊บก็กลับไปคิดเหมือนเดิมนี่เป็นแฟนเรานี่เป็นลูกเรานี่เป็นสามีเรานี่เป็นภรรยาเรานี่เป็นสมบัติของเรามันจะคิดอย่างนี้แล้วพอเวลามันจากไปก็ร้องโขมงร้องไห้แต่ถ้ากลับเอากลับไปสอนใจอยู่เรื่อยว่าอันนี้ไม่ใช่ของเรานี่แฟนไม่ใช่ของเราลูกไม่ใช่ของเราร่างกายไม่ใช่ของเราะ ไม่ช้าก็เร็ววันหนึ่งมันจะต้องจากเราไปถ้าเราคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆต้องคิดอยู่ทุกลมหายใจนั่นน่ะมันถึงจะไม่ลืมพอหยุดคิดปั๊บมันจะคิดกลับเหมือนเดิมทันทีมันจะคิดว่าเป็นของเราขึ้นมาทันทีพอไปคิดว่ามันเป็นของเราว่ามันก็หวงก็หวงขึ้นมาแล้วพอมันจากเราไปก็ร้องห่มร้องไห้ หน้าทยหน้าที่ของวิปัสสนาก็คือเราต้องมาท่องจำกันให้จำให้ได้ให้ไม่ให้ลืมว่า ม, ม, มันไม่มีอะไรเป็นของเราทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันเป็นสมบัติชั่วคราวเวลาเรามาเกิดในโลกนี้เรามีอะไรติดตัวเรามาบ้างไม่มีเลยแม้แต่ร่างกายที่เรามีกันอยู่ขณะ น, นี้ก็ไม่ได้เป็นของเราเราได้มาจากพ่อแม่ แล้วหลังจากเราได้ร่างกายนี้มาแล้วเราก็ใช้มันเป็นเครื่องมือในการไปหาสิ่งต่างๆที่เราอยากได้กันไปหาเงินทองไปหาอะไรต่างๆหาแฟนหาลูกหาครอบครัวหาอะไรต่างๆมาเป็นของเรากันพอได้มาแล้วก็ ติดทันทีว่าเป็นของเราไม่เคยคิดว่ามันไม่ได้เป็นของเราเป็นของยืมมามาคิดว่าเป็นของเรากันความจริงของทุกอย่างที่เราได้มานี้เป็นเหมือนของเรายืมมาเดี๋ยวเวลาเราตายไปเราก็ต้องคืนไปหมดหรือบางทียังไม่ทันตายเข้ามาทวงคืนก่อนก็มีเวลาเราเสียของที่เรารักไปนี่ก็เหมือนถูกเขา มืนถูกกับเหมือนกับถูกเจ้าของมาทวงคืนของที่เรายืมเข้ามาบางทียังไม่ตายก็จากกันก่อนก็มีไม่ใช่ว่าจำเป็นว่าจะต้องจากกันตอนที่เราตายเท่านั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องมาหมั่นคอยสอนใจเตือนใจไม่ให้คิดกลับไปแบบเดิมไม่ให้คิดว่าเป็นของเราไม่มีอะไรเป็นของเรา ไม่มีอะไรจะอยู่กับเราไปได้ตลอดไม่ช้าก็เร็วมันจะต้องมีการสิ้นสุดลงงานเลี้ยงย่อมมีวันสิ้นสุดลงให้คิดอย่างนี้ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะได้ไม่อยากที่จะยุ่งกับสิ่งต่างๆเพราะมีแล้วมันจะต้องทำให้เราทุกมีมันไปทำไมก็หยุดอยากได้สิ่งต่างๆ ได้นะพอเราหยุดอยากได้พอความอยากหายไปความสงบก็กลับคืนมาความสุขการบริสุทธิ์ที่มีอยู่ในใจเราก็โผล่ขึ้นมาเนี่ยเราไม่ต้องไปทำอะไรความสุขจริงๆอยู่ในตัวเราเพียงแต่หยุดความอยากที่จะไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆเท่านั้นเองที่มันเกิดจากความหลงโมหะอวิชชา ที่ไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสิ่งต่างๆกลับไปเห็นสิ่งต่างๆว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตาอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดคือเห็นตรงข้ามกับความเป็นจริงความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา แต่ใจเรากลับไปเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นนิจจังสุขขังอนัตตาทุกวันนี้หาอะไรกันอยู่ก็หาพวกที่เป็นอ น, นิจจังทุกขังอนอัตตาทั้งนั้นลาบนี้ก็เป็น น, นิจจังได้มาแล้วเดี๋ยวก็หมดไปยศก็เหมือนกันได้ตําแหน่งแล้วเดี๋ยวก็หมดไปเห็นไหมเป็นนายกได้กี่เดือนกี่ปีทั้งๆ ท, ที่ร่วมหมดก็ยังอยากเป็นกันอยู่นั่นเห็นไหมเป็นได้ไม่กี่ปีเดี๋ยวก็หมดไป เป็นศสสได้ไม่กี่ปีก็หมดไปเป็นรัฐมนตรีได้ไม่กี่ปีก็หมดไปทําไมไม่เห็นว่ามันเป็นอนิจจ์ก็ยังคิดว่ามันได้มาแล้วจะอยู่กับเราเป็นกับเราเป็นตลอดเนี่ยพอมันหมดเมื่อไหร่ก็ทุกเมื่อนั้นเราจึงต้องมาคอยสอนใจอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้มันเป็นอนิจจ์ทุกขังอนัตตา สิ่งต่างๆที่เรายังไม่มีแต่ยังอยากได้ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็จะได้เลิกความอยากได้เลิกความอยากได้สิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้พอความอยากหยุดตัวสงสงบตัวลงเมื่อไหร่ตอนนั้นแหละความสุขอันบบิทธุ์ที่มีอยู่ในใจของเรามันก็จะปรากฏขึ้นมา เราไม่ต้องทําอะไรเลยเนะี่ยความจริงเราเพียงแต่มาอยู่เฉยๆนะนะั่นน่ะการหาความสุขที่บริสุนนี้ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองไม่ต้องใช้ตําแหน่งอไม่ต้องใช้อะไรทั้งนั้นใช้อย่างเดียวนะนะั่นก็คือธรรมะความฉลาดให้รู้ว่าเรากำลังเดินผิดทาง เรากำลังเดินตามความอยากเราต้องเปลี่ยนทางเดินใหม่เท่านั้นเองอย่าไปเดินตามความอยากมันอยากได้เราอย่าไปทำตามมันเดี๋ยวความอยากมันก็จะหมดลงไปเองการที่จะทำได้เราต้องมีใจที่สงบจากสมาธิก่อนถ้าใจไม่มีความสงบจากสมาธินี่ฝืนความอยากไม่ไหวเพราะมันทรมาน แต่พอมีสมาธิเราทำให้ความทรมานใจหายไปได้เวลาเกิดความอยากทรมานใจเราก็ใช้สติหยุดทำใจให้สงบพอใจสงบความทรมานใจที่เกิดจากความอยากก็จะหายไปแล้วใจก็จะไม่ต้องทำตามความอยากได้ทำอย่างนี้ไปทุกครั้งที่เกิดความอยากพออยากแล้วทรมานใจก็ใช้สติพุทโธพุทโธไป ทำใจให้นิ่งให้สงบพอใจนิ่งสงบปั๊บใจก็ไม่ทรมานแล้วก็ไม่ต้องไปทำต่างความอยากความอยากมันก็จะหมดกําลังไปในที่สุดพอไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่แล้วทีนี้ก็ไม่มีอะไรมาสร้างความทรมานใจไม่มีอะไรมาปิดบงังความสุขันบริสุทธิ์ที่มีอยู่ในใจของเราให้ปรากฏอยู่ตลอดเวลานี่แหละคือนิพพานความสุขที่บริสุทธิ์ ที่จะปรากฏตลอดเวลาแทนที่จะเป็นสินค้าตัวอย่างแทนที่จะเป็นหนังตัวอย่างที่จะเป็นสินค้าจริงเป็นหนังจริงจะอยู่ในใจของเราอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงทุกวันทุกคืนไม่มีวันสิ้นสุดอันนี้นะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ส่งสัมผัสรับรู้ได้ส่ง ครอบครองคือความสุขอันบริสุทธิ์นี้แล้วจึงมีความปรารถนาให้พวกเราได้มีโอกาสได้ครอบครองสมบัติอันบริสุทธิ์นี้จึงว่าวิธีที่จะทําให้เราได้เข้าถึงสมบัติอันบริสุทธิ์ความสุขอันบริสุทธิ์นี้ด้วยการกระทําธุระสองธุระนี้เองคือคันธ์ธุระศึกษาคําสั่งคําสอน วิปัสนาธุระนำเอกไปปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนทุกประการนี่แหละคือหน้าที่ของชาวพุทธและผลประโยชน์อันสูงสุดที่เราจะได้รับก็คือความสุขอันบริสุทธิ์ที่มีอยู่ในใจของพวกเราความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมา เมื่อไม่เมื่อเราได้ความสุขอันบริสุทธิ์นี้แล้วเราก็ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันอีกต่อไปเพราะใจเราไม่หิวแล้วใจเราอิ่มใจเราพอที่เรายังมาเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เพราะใจเราอย่างหิวกันอยู่ยังอยากกันอยู่เพราะเรายังไม่ได้พบกับความสุขอันบริสุทธิ์นี้เองยึงขอให้ท่านทั้งหลายจงพยายามทำหน้าที่ทั้งสองนี้ให้สมบูรณ์เถิด แล้วท่านก็จะได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุมโมทนาให้ผ่อนยะถาวะไดวาหาบุราปาริกุเรนติสาคลังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปปักปติ อิติตังปะติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจโตสัพเพปเรนโตสังกปาจันโทปันาราโสยธามณิโชติราโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุ มาเตภวะโตอันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศีลสัตยจังวัฏฐานติอายุวันโอสุขังภาลัง ต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียวถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่ค่ะทาง f a c e b o o สาม7้อยยี่สิบเจ็ดท่าน y o u t u สอง5 8อยห้าสิบแปดท่าน วิทย์ออนไลน์17ท่านรับฟังบนเขา89ท่านรวมทั้งหมด691ท่านค่ะ okay. วันนี้ใช้พอจอหรือใช้พระอาจารย์สุชาติพระอาจารย์เจ้าค่ ะ, ะขึ้นึง300นะตาธรรมดามันแค่200กว่านี่ขนาดวันเสาร์วันอาทิตย์ยังขึ้น300กว่ า, าแสดงว่าคนติดตามทางหน้านี้มากกว่าพอทายทอดสดมันก็จะเตือนทันที โอเคมีคำถามใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาเนียคำถามจากผู้ฝากถามบนเข่าค่ะสามปีก่อนลูกมีลูกชายหนึ่งคนจึงอยากให้เขามีพี่น้องจึงตั้งใจมีลูกเพิ่มแต่โชคร้ายลูกคนที่สองมีโคโมโซมที่ผิดปกติเมื่อคลอดออกมาลูกจะมีปัญหาเป็นดาวซินโดรมลูกและสามีจึงตัดสิน ใจยุติการตั้งครรภ์นในขณะที่อายุครรภ์หเดือนครึ่งซึ่งทำโดยไม่ขัดต่อทางการแพทย์และทางกฎหมายใดๆและด้วยความพยายามและความตั้งใจขณะนี้ลูกกำลังตั้งครรภ์ลูกคนใหม่แต่ลูกยังมีทุกข์อยู่ในใจเหลือเกินคำถามที่หนึ่งค่ะทุกจากการที่ยุติการตั้งครรภ์ทำลายไปหนึ่งชีวิต สองทุกจักห่วงห่วงดวงดวงิญญาณของลูกคนที่สองสทุกจากห่วงห่วงผลกระทบการกระทําจะเกิดแก่ลูกคนโตและลูกในท้องสเกรงกลัวตอบผลบาปที่ทําลูกคนที่สองขอให้พระอาจารย์ชี้แนะเพื่อให้เกิดปัญญาด้วยค่ะก็ต้องเห็นว่าเนี่ยความอยากของเราพาให้เรามาต้องเจอความทุกข์นะ ถ้าไม่ได้มีความอยากมีลูกอีกคนหนึ่งมันก็ไม่มีความทุกข์ตามมาอย่างที่เป็นอยู่ควรจะเอามาเป็นบทเรียนสอนใจให้หยุดความอยากได้ลูกได้แล้วพอแล้วถ้ามันเขาจะมาให้เขามาโดยธรรมชาติของเขาเราอย่าไปกระตือร้อ น, นอยากได้มอได้มาแล้วก็ต้องมาทุกข์กับเขาพอเขาไม่ดีไม่ถูกใจเราเราก็ ะเราก็ทำลายเขาอันนี้ก็เลยทำให้เรายิ่งเพิ่มความทุกข์ขึ้นมาอีกตอนต้นก็ทุกข์เพราะอยากจะได้พอได้ของไม่ดีก็ไปทำลายมันอีกอะไรทุกข์สองสามชั้นเข้าไปเนี่ยความทุกข์มันก็จะทวีคูณเพิ่นไปเรื่อยๆดาบใดถ้าเราไม่ใช้ปัญญาสอนใจว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้มันเป็นทุกข์นะเพราะมันไม่แน่นอน เราคิดว่าเราจะได้ของดีแต่มันไม่มีใครมารับประกันว่าจะได้ของดีเสมอไปบางคนได้ลูกสวยน่ารักบางคนก็ได้ลูกพิการทางสมองทางร่างกายมันมีความอะไรต่างๆเยอะแยะส่วนที่ไม่ดีมีเยอะแยะแต่เราไม่ยอมมองกันก็นี่เรียกว่าขาดปัญญา ต้องพยายามสอนใจอย่างที่ได้เทศวันนี้คิดอยู่เรื่อยๆทุกครั้งที่อยากได้อะไรอย่าไปคิดว่าเป็นสุขอย่างเดียวเพราะมันไม่แน่นอนเหมือนแทงลอตเตอรี่ทุกครั้งมันจะถูกไหมมันอาจจะถูกมันอาจจะไม่ถูกนะ่รัยอันใดการที่เราคิดว่าเราจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มามันอาจจะไม่ได้หรือได้ไม่ได้อย่างที่เราคิดก็ได้แทนที่จะได้สุขก็จะได้ทุกข์นี่ย เราได้ทุกมาแล้วเพราะเราไม่ใช้ปัญญาตอนที่เราเกิดความอยากพออยากก็เลยตั้งคันตั้งท้องพอตั้งแล้วเกิดมี <c oughs> ความไม่แน่นอนไม่เที่ยงแท้แน่นอน <c oughs> เด็กไม่สมบูรณ์ <c oughs> เด็กไม่สมประกอบ <c oughs> เราก็ไม่อยากได้ขึ้นมา <c oughs> นี่คือสิ่งที่เราต้องพยายามสอนเตือนใจนะัก อ, อยู่เรื่อยๆคือ ความไม่แน่นอนของสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ว่ามันไม่แน่นอนที่จะให้ความสุขกับเราเสมอไปมันอาจจะให้ความทุกข์กับเราก็ได้อ่าคิดมุมกลับบ้างจะได้ไม่อยากได้คำถามต่อไปจากสิทธวัตป่ากราบนามัสการพระอาจารย์ครับผมอยากทราบพิธีการเรียกบุญมาใช้เวลาเดือดร้อน ผมทำบุญและปฏิบัติธรรมมานานผมมีหนี้สิ์อยู่และตอนนี้ผมอยากปิดหนี้ทั้งหมดเพื่อจะได้บวชแบบไม่ศึกผมจะอธิษฐานขอให้คุณมาช่วยอย่างไรครับบุญมันเป็นเหมือนต้นไม้นะคุณจะไปขอสั่งให้มันออกดอกออกผลเวลาที่คุณต้องการไม่ได้หรอกมันก็ต้องออกดอกผลตามเาละของมันเมื่อมันพร้อมที่จะออกดอกออกผลมันก็ออก เมื่อมันยังไม่พร้อมคุณก็ไปสั่งให้มันออกไม่ได้เหมือนเด็กที่อยู่ในท้องถ้ายังไม่พร้อมที่ออกมาก็ไปสั่งให้ออกมาไม่ได้ออกมาก็ไม่สมประกอบเนี่ยเช่นไปผ่าท้องเอาเด็กออกนี่เพราะฉะนั้นต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเรื่องของบุญของบาปมันมีเหตุมีปัจจัยถ้ายังไม่ถึงเวลามันจะออกดอกออกผลนี่มันก็ไม่ออกเห็น คุณไมหน้าที่อย่างเดียวพยายามทําบุญเยอะๆเหมือนปลูกต้นไม้เยอะๆมันจะได้อาศัยต้นอื่นต้นนี้ยังไม่ออกอาจจะมีต้นเก่าที่เราปลูกไว้ก่อนอมันปลูกมานานแล้วเดี๋ยวมันก็ออกพยายามทําบุญทุกวันแล้วต่อไปบุญที่เราทํานี้มันก็จะผัดเปลี่ยนกันออกมาส่งส่งผลให้กับเรา แต่ถ้าเานานทีเปโหนทําทักทีปีใหม่ทําสักครั้งหนึ่งวันเกิดทําสักครั้งหนึ่งผลก็ลําบากแล้วท่านจะมาเรียกผลผลจากการทําบุญเพราะคุณทําไว้น้อยคําถามต่อไปจากคุณเพชรน้ำหนึ่งค่ะคําถามที่หนึ่งค่ะขอโอกาสครับหากจิตยังติดข้องอยู่ในกรรมคุณห้าอยู่แต่ ก็ภาวนาสมาธิอยู่ด้วยเนืองตลอดเวลาที่มีสติอยู่กับพุโทโธแต่บางครั้งก็เผลอบ้างการปฏิบัติแบบนี้อยู่เนืองๆจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้หรือเปล่าครับออถ้าไม่ทำบาปก็ไปได้เพียงแต่รักษาศีหนา้าไม่ทำบาปตายไปก็ไปสุคติได้ไม่ต้องไปอบายไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้ถ้านั่งสมาธิก็ไปพร ม, มโลก ถ้าไม่ทำบาปทําบุญก็ไปเทวโลกถ้าไม่ได้ทําบาปไม่ได้ทําบุญก็ไปมนุสยโลกคําถามที่สองค่ะเราจะรู้สึกจากตัวเราเองได้อย่างไรในการประพฤติปฏิบัติธรรมว่าเราเดินทางตรงหรือขณะนี้เราเดินทางอ้อมกลับสาธุครับ เ, ออเราส่วนใหญ่เราจะไม่รู้หรอกเวลาลวเราเริ่มปฏิบัติ เรายังไม่มีปัญญาเราจึงต้องคอยมีอาจารย์คอยบอกคอยเตือนเราว่าตอนนี้กำลังไปนอกลกูนอกทางให้ไปทางนี้แต่บางทีอาจารย์บอกแล้วมันก็ยังฝืนอยังดืวว้อยู่เช่นยกตัวอย่างมีลูกเศรษฐ์คนเองให้มามาอยู่ปฏิบัติแล้ววันดีคืนดีก็ทางบ้านส่งข่าวมาว่ามีญาติผู้ใหญ่ทางบ้านไม่สบาย ทีก็แล้เกิดความละสัมละสายแล้วใจหนึ่งถ้าไปก็ไม่ได้ปฏิบัติถ้าไม่ไปก็จะถูกโลกเขาตำหนิติดเตือนว่าไม่ไม่มีความกระตันอยู่ไม่มีความเขาลกไม่มีน้ำใจอันนี้ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์มาบอกมาอธิบายก็อาจจะออกนอกลู่นอกทางที่จะเดินตรงเคยปฏิบัติต่อไป ก็อ่าขอแวบออกไปเยี่ยมญาติเดี๋ยวเยี่ยมออกไปเดี๋ยวไปเจอคนโน้นคนนี้นนชวนไปทํำนู่นทํานี่เดี๋ยวอาจจะเตลิดเปิดเปิงอีกอย่างหนึ่งใจมันไม่ค่อยอยากจะอยู่แล้วพอมีเหตุดึงให้มันไปมันก็ไปเลยอันนี้ถ้ามีครูบาอาจารย์ก็อาจจะมาเตือนมาบอกว่าไปแล้วขาดทุนนะอยู่แล้วได้กําไรถ้าไปแล้วกลับมาก็เหมือนกับเหมือนกับ นั่งรถไฟอยู่ดีๆแล้วก็ลงสถานีนี่แล้วก็กลับมามารอขึ้นรถคันใหม่ขบวนใหม่ก็สู้นั่งคันเก่าไม่ได้ถ้าคันเก่าแล้วไม่ลงปานนี้ไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วแต่พอเรามาลงเราก็ต้องมารอนั่งรอรถขบวนคันใหม่ไปแล้วเมื่อไหร่ไม่รู้จะได้กลับมาปฏิบัติต่อแล้วปฏิบัติก็กลัจะกลับไปอยู่ใน ระดับที่เรากำลังปฏิบัติอยู่ก็อาจจะต้องใช้เวลาอีกพอเวลาเราไปเราไม่ปฏิบัติมันก็ลดระดับจิตของเราลงลงทันทีแล้วก็ จ, จะดึงจิตระดับจิตของเราให้กลับคืนสู่ระดับก่อนที่เราจะออกไปมันก็ต้องใช้เวลาอีกสรุปแล้วก็คือเสียเวลาไปเปล่าๆเพื่อไปทาสิ่งที่ ไม่มีสาระประโยชน์กับจิตใจเพียงแต่มีความทำให้คความรู้สึกว่าดีท่านั้นเองว่าโอ้ยเราได้ไปเยี่ยมไปเคารพเขาความจริงเราไม่ไปเขาก็เราก็ไม่ได้ไปทาไปเปลี่ยนไ ป, ไ ป, ไปเปลี่ยนแปลงอะไรเขาก็ไม่สบายอยู่เหมือนเดิมเราไม่ได้ไปเป็นหมอเนี่ยถ้าเราเป็นหมอแล้ว เ, เราต้องไปดูแลรักษาเขาอย่างนี้อันนี้ไปก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ถ้าไปเราไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรไปทำไม ก็พูดได้แค่นี้แต่ไม่กล้าตัดไม่ไม่กล้าบอกสั่งหรือห้ามอันนี้เพราะเป็นเรื่องของแต่ละคนจะต้องตัดสินใจเอาเองเดี๋ยวไปบอกไปห้ามก็จะหาว่าบังคับ อ, อาจารย์บังคับแบบการบังคับด้วยความเป็นอาจารย์ไม่ถูก มันต้องให้เหตุด้วยผลบังคับมันถ้าเราแสดงเหตุแสดงผลให้เขาฟังแล้วถ้าเขาเข้าใจเหตุและผลเขาก็จะใช้เหตุผลที่บังคับใจเขาเองแต่เขาเขาไม่เข้าใจก็อาจจะยังไม่สามารถใช้เหตุผลนี้มาบังคับเขาได้เขาก็อาจจะต้องออกนอกลูกนอกทางไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้แม้จะมีครูบาอาจารย์บางทีก็ยังช่วยไม่ได้ เทวทัศนี่ก็อยู่กับพระพุทธเจ้าพออยากเป็นใหญ่พระพุทธเจ้าก็ห้ามพอห้ามก็แทนที่ห้ามด้วยเหตุด้วยผลว่ามไม่ใช่ไม่ใช่ฐานะไม่ใช่สิ่งที่คนที่อยากจะได้ก็ไม่ได้ห้ามาอยากจะได้ก็แล้วแต่เพียงแต่บอกเหตุบ อ, อกผลแต่ไม่ยอมรับเหตุผลอยากจะได้เมื่อไม่ได้ก็โกรธ ก็ไลยพยายามฆ่าพระพุทธเจ้าถึงสามครั้งนี่ไงออกนอกลู่นอกทางไปแล้วแทนที่จะรักษาศีลกลับไปทําบาปกลับไปทั้งๆ ท, ที่บวชมาก็นานอยู่แล้วฉะนั้นถ้าเราอยากจะรู้ว่าเราอยู่ในทางหรือไม่ก็ให้ดูว่าเราอยู่ในทางของศีลสมาธิปัญญาหรือเปล่าตอนนี้่ ร, รักษาศีลได้หรือเปล่าเรานั่งสมาธิอยู่หรือเปล่า เราหมั่นจเจริญปัญญามองทุกอย่างฮะเป็นตายรักได้หรือเปล่าหรือว่าตอนนี้เราไปที่ไหนแล้วก็ไม่รู้ไปที่บาหรือที่ผับหรือที่ท่องเที่ยวปีใหม่อยู่ห้าวันเดี๋ยวนี้ลองวัดลองวัดลองวัดใจดูว่าจะไปไหนดีไปเที่ยวดีห้าวันหรือว่าไปวัดดีห้าวันอันนี้จะได้รู้ว่าไปทางตรงหรือไปทางอ้อม คำถามต่อไปจากคุณกุ้งค่ะกลับเรียนถามหลวงพ่อการถวายสังฆทานต่างจากการถวายบังสกุลอย่างไรอันนี้ส่งต่างกันอย่างไรเจ้าคะมีเพื่อนฝากถามกันมาเยอะกลัวตอบผิดเจ้าค่ะ อ, อ๋อบุญเหมือนกันบุญน้อยบาททำสังฆทานหรือทำบังสกุลนี่ก็ได้บุญเหมือนกันเพียงแต่ว่า การถวายสังฆทานก็ต่างกันที่ของนั่นเองถวายสังฆทานก็มีสบู่มีปลากระป๋องมีอะไรแล้วแต่จะจัดส่วนบางสกุลก็มีแต่ผ้าอย่างเดียวเห็นพระต้องใช้ปัจจัยสีผ้าก็ต้องใช้อาหารก็ต้องกินทีนี้แล้วแต่เราอยากจะให้อย่างไหนก็เลือกให้ได้ ความจริงควรจะเลือกในสิ่งที่เขาขาดให้ในสิ่งที่เขามีเดือเฟือก็ไม่เกิดประโยชน์กับผู้รับแต่ผู้ให้ก็ยังได้บุญอยู่เหมือนเดิมฉะนั้นเวลาให้ต้องคำหนึงถึงผู้รับด้วยคำหนึงถึงผู้ให้ด้วยจะได้เกิดประโยชน์สองสองฝ่ายเราก็อยากจะสนับสนุนพระสนับสนุนผู้รับของของเราเราก็ต้องไปดูว่าเขาขาดอะไร สิ่งที่เขาไม่ขาดอย่าไปให้เขาให้สิ่งที่เขาขาดนะจะไม่ใช่ทำบุญตามความอยากของเราว่าต้องถวายบางสกุลอย่างเดียวพระจะไม่มีข้าวกินก็ช่างหัวมันอยากตอนอยากจะฉายถวายผ้าก็ถวายผ้าอย่างเดียวผ้าก็เต็มไปหมดนี่แต่ไม่มีข้าวกินอันนี้นก็ต้องสังเกตดูแต่สมัยนี้ไม่ต้องกังวลเพราะว่าพระไม่ไม่ขาดทั้งสี่อย่าง ปัจจัยสี่บริบูรณ์เพราะมีคนหลากหลายถวายแบบหลายอย่างด้วยกันงั้นเราจะถวายอะไรก็ไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าใช้ความคิดเท่าหน่อยก็อาจจะคิดว่าเอาถ้าของต่างๆมีเหลือเฟือแล้วก็ถวายเป็นปัจจัยไปก็ได้เป็นเงินให้วัดใช้เพราะมีสิ่งที่ปัจจัยสี่นอกเหนือปัจจัยสี่แล้ว วัดยังมีหนี้ต้องจ่ายหนี้สงฆ์ชำนาญหนี้สง์สงก็ได้วัดยังเป็นหนี้การไฟฟ้าการป่าป่าอยู่เป็นหนี้คนงานที่มาซ่อมบำรุงสถานที่ต่างๆอันนี้เขาก็ไม่เอาปัจจัยสี่เอาปกแต่งสังฆทานให้เขาเขาก็ไม่เอาเอาผ้าบางสกุลให้เขาเขาก็ไม่เอาต้องให้เงินเขา งั้นบางทีก็ต้องมาคิดถึงการชําระหนี้สงแทนะถ้าคิดว่าพระมีปัจจัยสี่เหลือเฟือแล้วสังฆทานนี่เต็มไปหมดเออพบาบังสกุลนี่เต็มไปหมดแล้วนี้ท่านแต่ท่านไม่มีเงินจ่ายค่าน้ําค่าไฟไม่มีเงินจ่ายค่าช่างที่มาซ่อมบํารุงโบสถ์เจดีย์อันนี้เราอาจจะต้องคิดถึงเรื่องนี้บ้างออันนี้ไม่ได้พูดเพื่อจะขอเอาเงินนะแต่พูดมัน มันก็พูดให้ฟังแหละจะว่าขอก็ขอ แ, แต่ไม่ได้ขอเองบอกให้รู้ว่านอกจากปัจจัยสี่แล้วมันก็ยังมีอย่างอื่นที่จำเป็นต่อการาทานุบารุงพระพุทธศาสนาให้อยู่เป็นที่พึ่งของเราต่อไปคาถามจากผู้ฝักถามบนเขาค่ะขอทราบวิธีไม่ให้เข้าพวังเร็วค่ะ ไม่ให้ระวังเร็วก็อยาาไปนั่งมันสิไม่อยากจะเข้าระวังก็ไม่ต้องไปนั่งมันเนี่ยแต่เขานั่งเ็าอยากจะเข้าระวังเร็วๆเพราะระวังนี่มันมีความสุขมากนอกจากเป็นประวังหลับนถ้าไม่อยากจะเข้าระวังหลับก็ต้องมีสติเวลานั่งอย่านั่งเฉยๆนั่งแล้วต้องมีพุทโธพุทโธมีการดูลมหายใจแต่พอจะหลับก็ ควจะเลิกนั่งแล้วลุกขึ้นมาเดินแทนเดินจงกรมเดินสมาธิแทนการเดินจงกรม ก, ก็เป็นการทำสมาธิอีกแบบหนึง่งเพียงแต่ว่ามันจะไม่นิ่งสงบเหมือนกับเวลานั่งแต่มันก็มันก็ทำให้ใจเบาความคิดุงแต่งน้อยลงใจมีความสุขมีสติได้อย่างถ้าไม่อยากจะนั่งให้เข้าระวังหลับก็เวลาจะเข้าระวังหลับก็ต้องเลิอกอย่านั่งลุกขึ้นมาเดิน แต่ถ้าไม่อยากจะเข้าผวังสมาธิเร็วก็ไม่ต้องไปนั่งมันเสียเวลา <c oughs> ทำไมไม่อยาก <c oughs> ทำไมไม่อยากเข้าผวังสมาธิถ้าไม่อยากเข้าะวังสมาธิก็อย่าไปนั่งสมาธิสิเพราะการ น, นั่งสมาธิก็เพื่อเข้าผวังสมาธิคำถามต่อไปจากคุณกุลาบคะ่ะทำไมลูกชอบฝันอะไรที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอย่างเช่นเมื่อคืน ก็ว่าได้ไปบวชชีเจ้าคะก็แวความชอบของเราเนี่ยใจเราชอบปรับไฟกับอะไรมันก็จะคิดถึงเรื่องนั้นเห็นไหมคนชอบกินผลไม้มันก็จะไปหาผลไม้กินนคนชอบเลี้ยงหมาก็จะไปหาหมาเลี้ยงแล้วแต่ความชอบคำถามต่อไปจากคุณไพทูนค่ะ กระผมปฏิบัติทุดงควัตข้อฉันในชามใบเดียวและกินกินมื้อเดียวร่างกายและจิตใจเวลาทำภาวนาสงบง่ายกว่ากินสองมือ้อแต่ร่างกายภายนอกสู้ผอมเราควรรักษาร่างกายหรือไม่ครับหรือควรปล่อยให้เป็นธรรมชาติครับอ่อผอมอ้่นไม่สำคัญอะขอให้มันมีกำลังวังชาปฏิบัติหน้าที่ของเราได้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยน้าหนักน้อยแต่ มีกำลังที่จะเดินจงกรมนั่งสมาธิทําหน้าที่ของเราได้เป็นปกติก็ไม่จ๊ะไม่ต้องไปกังวลกันเรื่องผอมหรื้อ้วนนะคําถามที่สองค่ะเรากินมื้อเดียวบางครั้งก็อยากกินของปราณียอาหารที่มีประโยชน์แบบนี้เป็นปฏิปทาที่ถูกต้องไหมครับไม่ถูกหรอกกินไม่กินด้วยความอยากไม่ถูกต้องกิ น, แบบกนแบบกินยากินแบบกินยาก็ อ า, อาหารทั้งหลายมาคลุกรวมกันเหมือนเหมือนกับเวลาเดี๋ยวมันต้องไปรวมกันในท้องถ้ากินด้วยความอยากก็อยากจะกินอาหารชนิดนี้ก่อนชนิดนี้ทีหลังไม่กินพร้อมกันอันนี้ก็จะเป็นความอยากความอยากก็จะเป็นอุปสรรคในการปฏิบัตินทําให้เกิดการมัชฌัญทะอยากจะกินอาหารชนิดนั้นชนิดนี้เวลานั่งสมาธิก็มานั่งคิดถึงเรื่องอาหารชนิดต่างๆที่อยากจะกิน เล่ไม่ได้นั่งสมาธิมานั่งคิดแต่เรื่องอาหารกันเห็นต้องกินแบบเรียบง่ายกินแบบไม่จู้จี้จุกจิกอะไรก็ได้ขอให้มันดับความหิวได้ก็พอร่างกายจะให้มันเลี้ยงดูดีขนาดไหนเดี๋ยวมันก็ตายเหมือนกันเนะี่ยคำถามต่อไปจากคุณวิชัยคะ่ะกับเรียนถามพระอาจารย์ครับหลักฮวงจุ้ยมีผลกับเราจริงหรือไม่ครับไม่มีหรอกหลักที่มีผลกับเราคือกรรมนะ กฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยให้เชื่อแค่นี้พอไม่ต้องไปเชื่อศาสตร์ต่างๆที่เขาเชื่อกันนะแต่เราไม่ลบหลู่นะแต่เราไม่เชื่อแต่อยากจะไปเชื่อก็ไม่ว่าอะไรแต่ถ้ามาถามก็บอกไม่มีอะไรต้องเชื่อมีกฎอย่างเดียวต้องเชื่อก็คือกฎแห่งกรรมท่านเองทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคำถามต่อไปจากผู้ฝกากถามค่ะ อยากให้พระอาจารย์อธิบายเรื่องของจิตมโนและวิญญาณครับมโนก็แปลว่าใจจิตก็คือใจเหมือนกันตัวเดียวกันจิตกับมโนกับใจนี้เป็นตัวเดียวกันเพียงแต่ว่าจิตกับจิตหรือใจนี้มันมีหน้าที่สองหน้าที่คือมีความรู้สึกนึกคิดแล้วก็มีการรู้เนี่ยมีมีรู้แล้วมีความคิด มีความรู้รู้สึกไงคือความรู้แล้วก็มีความนึกคิดเวลาจิตนึกคิดเราก็เรียกว่าจิตเวลารับรู้ก็เรียกเราก็เรียกว่าใจใจรู้เรื่องนั้นใจเรื่องนี้จิตคิดเรื่องนั้นจิตคิดเรื่องนี้แต่เป็นตัวเดียวกันมีสองชื่อเวลาทำหน้าที่รู้เราก็เรียกว่าใจเวลาทำหน้าที่คิดเราก็เรียกว่าจิตเท่านั้นเอง คำถามต่อไปจากคุณสวรรณาค่ะกับเรียนถามการทำแท้งจะแก้กรรมอย่างไรเจ้าค่ะก็ต้องแก้ไม่ได้หรอกทำไปแล้วแก้ได้ก็ดีอย่าได้ทำมันบ่อยๆ อ, อย่าไปทามันเท่านั้นเนี่ยแต่การเก่าทำไปแล้วไปแก้ไม่ได้นะแก้อันใหม่ได้อย่าไปทำมันใหม่มันก็ไม่มีผลตามมาหมดแล้วเลย มีค่ะคำถามต่อไปจากคุณสิริปรยาค่ะดูกายไปฟังเพลงไปได้ไ้ยเจ้าคะได้แต่มันไม่ได้อะไรถ้าอยากจะได้อะไรนี่การดูกายก็ไม่ใช่ดูเฉยๆถ้าดูเฉยๆก็ได้สติเจ้นเราต้องการฝึกสติควบคุมใจไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆแล้วก็คอยเฝ้าดูใจดูร่างกายของเราว่ากำลังทำอะไรอยู่กำลังกินก็กินไปกับร่างกาย ไม่ใช่ร่างกายกินใจก็ไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดไปเที่ยวที่นู่นที่นี่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่างนี้เรียกว่ากินแบบไม่มีสติแล้วต้องการสร้างสติเราก็ต้องผูกใจไว้อยู่กับการกระทาของร่างกายร่างกายทำอะไรใจก็ต้องทาควบคู่ไปกับร่างกายถึงจะมีสติคำถามต่อไปจากคุณพิสนุค่ะ กลาวนมัส ก, การพระอาจารย์ครับการที่พระเก็บเงินไว้หรือมีบัญชีธนาคารเพื่อตอนเองจะถือว่าอาบัติหรือสมควรไหมครับนมัส ก, การครับก็บัญชีธนาคารก็เป็นเหมือนวายวจกรพระพุทธเจ้านี้ห้ามไม่ให้พระเก็บเงินทองไว้เพราะกลัวเป็นอันตรายเดี๋ยวมีใครรู้ว่ามีเงินทองในกุฏิก็มาป้นมาจี้ได้ก็เลยให้ฝากไว้กับบุคคลที่ น่าเชื่อถือเอย่างนี้บุคคลที่น่าเชื่อถือก็คือธนาคารเนีคนอื่นยังไม่น่าเชื่อถือลูกศิษย์บางคนฝากเรามันก็โกงหนีได้เอาเงินของพระจะอาไปใช้แต่ถ้าธนาคารนี้เขาก็น่าเชื่อถือกว่าะก็การเก็บฝากไว้ธนาคารก็ถือว่าไม่ผิดกฎไม่ผิดพระวิ น, นัยคําถามจากคุณดาบชยุทธอายุ13ขวบครับ การฟังธรรมมีประโยชน์อย่างไรครับก็ห้าอย่างจะได้เรียนเรื่องที่เราไม่เคยรู้มาก่อนเช่นเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยถ้าเราไม่ฟังธรรมเราจะไม่มีวันรู้เรื่องราวเหล่านี้เพราะไม่มีที่ไหนสอนสองถ้าเราเคยฟังแล้วพอฟังซ้ำบ่อยๆก็จะเนื้กิดความเข้าใจดีขึ้นสทํทำให้เรามีความเห็นที่ถูกต้อง ถ้าเราไม่ฟังธรรมเราอาจจะคิดว่าบุญไม่มีบาปไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีแตม่มาฟังธรรมแล้วธรรมจะบอกว่ามีแล้วก็เป็นของจริงมีจริงๆถ้าเราฟังแล้วเราก็จะได้เห็นตามความเป็นจริงรู้ตามความเป็นจริงแล้วก็จะทำให้เรา หายสงสัยเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็ทําให้ใจเราสงบมีความสุขนี่คือประโยชน์จากการฟังธรรมมีอยู่ห้าอย่างด้วยกันคําำถามต่อไปจากคุณปริชาติค่ะพระพุทธรูปที่แตกชํารุดบูชาไว้ในบ้านได้ไหมเจ้าคะได้ก็มันก็เป็นพระพุทธรูปเหมือนเดิมเพียงแต่มีรอยแตกรอยชํารุดเท่านั้นเองก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไร แต่มนุษย์เรามันชอบของสมบูรณ์พออะไรจำรุดหน่อยก็ไม่อยากได้แล้วนี่ไม่อยากได้ก็ไม่รู้จะไปทําอะไรจะไปทิ้งก็ไม่รู้จะไปทิ้งที่ไหนจะไปทุบไปไปทําลายก็กลัวบาปอกีกควาจริงมันก็ไม่บาปมันก็เป็นเพียงแต่วัตถุอันหนึ่งเท่านั้นเองฉะนนถ้าไม่รู้จะทําอะไรก็ปล่อยไว้เหมือนเดิมเมื่อก่อนไม่จำรุดก็อยู่ได้ทำไมพอจำรุดแล้วทำไมจะอยู่ไม่ได้ มันอยู่ที่ใจเราเท่านั้นเน่ตัวพระทนรูปท่านก็ไม่มีปัญหาอะไรกับใครวันลวนะโอเคก็ <c oughs> คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิ